ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกะมังนำเสนออาธิบายขยายความช่วงแรกของสติปัฏฐานสูตรในมัชิมนิกายก็วันก่อนได้มาพูดถึงประเด็นที่ตัวการสำคัญใน ชีวิตของเราเราเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเนี่ยมันอยู่ที่จิตซึ่งเศร้าหมองหรือว่าจิตผ่องแผ้วก็แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วคนเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาก็อย่าทำจิตให้คุณมัวเศร้าหมองมากเกินไปพยายามรักษาสุขภาพจิตเอาไว้ ทำจิตให้ผ่องใสเอาไว้ก็จะเกิดประโยชน์ในทางที่เราต้องการแล้วก็ข้อต่อไปนี่คือเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะโสกะปริเทวะนั้นเป็นทุกจรนะฮะก็เรียกว่าปกิณกะกทกุคือทุกจรคําว่า ทุกจริงนั้นทุกที่เป็นสภาวะก็มีแค่สามอย่างคือเกิดแก่ตายเจ็บก็จอดเหมือนกันนะเจ็บก็จอดเหมือนกันอนสกาปริเทวะหมายความว่าเป็นลักษณะที่เราสัมผัสอารมณ์ที่มีความกระเทือนใจกระทบกระเทือนใจ ก็เรียกว่าพระพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนะจะเป็นคนจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นสิ่งก็ตามจิตมันจะเกิดโศกคือความเศร้าโศกเศร้าโศกมากในที่สุดก็ปริเวธนาการคร่ำครวญไปด้วยประการกต่างๆโดยการประพฤติปฏิบัติตามแนวของ สติปัฏฐานสูตรนี่แหละบรุษอยู่หนึ่งจะรู้เท่าทันความจริงของสังขารทั้งหลายที่มันต้องเป็นเขามันอย่างนั้นเองให้ลองสังเกตว่าคนเราถ้าไม่ไปกาหนดอารมณ์ว่าเป็นของเรามากๆนี่ของนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเขามันแต่เราก็ไม่ได้สดู ไม่ได้เจ้ากเศร้าเสียใจเสียดายแต่ถ้าเรามีของรักมากคนรักมากการพราดราก็ต้องมากการสูญเสียก็ต้องมากทรัพย์สินเงินทองมากมันโอกาสที่จะเศร้าโศกได้มากเพราะงั้นโสกกะกับปริเทวะก็หมายรวมทั้งหมดนั่นแหละโศกเฮียิปริเทเวียเุเขริโมนสเซียอุปาเจเศีิ ความโศกความร่ำไรความรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจปรารถนาจะได้สิ่งใดเราไม่ได้ปรารถนาหรือสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเกิดได้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะใจเราไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นอาการที่เรียกว่ายึดมัน่นถือมั่นเนี่ยมันก็ทําให้จากไม่ยอมจากกระจบไม่ยอมจบ ยึดมันถึงมั่นอยู่แต่พวกนี้มันก็เป็นเครือของราคะโลภะโทสะโมหะนั่นแหละแต่ว่าทรงเรียกไว้อีกอย่างหนึ่งว่าตัณหามาณชิตชิกสิ่งที่ทําให้เราเศ้าโศกก็หมายความว่าสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ครอบครองอยู่หรือไม่ได้ไม่ได้ในสิ่งของเหล่านั้น พอได้มามันเกิดพลาดพลาดก็เศร้าสศกไม่ได้สูญหายไปแตกทำลายไปก็เศร้าสศกอันนี้เป็นอาการของเศร้าโศกแล้วก็พีริพิรยรราพันเราจะลองสังเกตว่าเหมือนกับครอบครัวที่ประสบความพลาดพลาดสูญเสียอย่างแรงและในเวลาที่รวดเร็วเนี่ยก็ตั้งหลักกันไม่ก็ได้หรอก เพราะว่ามันรุนแรงกระแทกกระทันจิตใจมากเกินไปเพียงแต่ว่าทำยังไงจะพยายามพยายามอย่าให้หนักเกินเหตุไปผู้เจ้าทรงแสดงนะว่าความเศร้าโศกรำไรรํำพันเนี่ยไม่ควรทำดอกเพราะอะไรเพราะว่าทำไปแล้วญาตพี่น้องที่ตายไปเขาก็ไม่รู้การร้องห่มร้องไห้ของเรา เขาก็าไปด้วยกรรมของเขาเพราะเข้ามาด้วยกรรมของเขาก็าอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเขาแต่พอดีมันเกิดเกี่ยวข้องผูกพันกันแล้วเราก็ไปยึดติดเอาให้เขาเที่ยงแท้ให้ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนเนี่ยดารงอยู่เที่ยงแท้ทั้งๆั้ที่เราเองก็ไม่เที่ยงแท้นะีแล้วต้องการจะให้คนอื่นเขาเที่ยงแท้มันก็เที่ยงแท้ไม่ได้ สนามมนาธิธินี้มีท่านแปลไว้เป็นภาษาไทยก็แปลดีนะฮะท่านบอกเพราะอยากได้อยากได้ถ้าไม่ได้อา้าวก็โศกไปเทวะหรือว่าอยากได้แต่มันได้น้อยไปอา้าวเกิดโศกอีกแล้วหรือว่ามีคนอื่นเขาได้มากกว่าอา้าวก็เกิดิษยาเกิดแข่งดีตัวเองก็เกิดโศกอีกแล้ว มัญหาเรื่องให้เราเกิดโศกะคือความพิริพิไรรำพันได้ใจทุกวันเยนะถ้าถ้าจิตใจอ่อนไหวแล้วก็เรียกว่าได้ทุกวันเนี่ยใ น, นทีนี้เมื่อความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นมรรคนี้ที่บุคคลอบรมแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับผงโศกเศร้าของคนทั้งหลาย ตัวอย่างท่านสันติมหามาต์มหามาต์ก็เป็นมหามาต์ในแคนวัตชีก็ต่อมาบรรลุมรรคผลเป็นรหาหันนะฮะแต่ว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคือท่านไปปราบปัจจันชนบทคือหัวเมืองชายแดน และประสบความชัยชนะมาพวกษัตริย์ก็ให้รางวัลมอบนางระ บ, บำนักระ บ, บำให้คนหนึ่งแล้วก็มีสุรายาเมาต่างๆก็เต็มที่แหละเอีอกว่าเต็มที่เลยแล้วผู้หญิงที่แกไร้รำเนี่ยแกกลัวว่าตัวมันจะไม่อ่อนเลยไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมกินอาหารถูกกหลายวันก็เอาไมา่อยู่เหมือนกัน พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดก็เสด็จผู้ํำเดินผ่านนะั่นแหละิหาเสนาบดีได้เห็นข้าวก็ถวายบังคมถวายบังคมบนหลังช้างนะั่นแหละในขณะเดียวกันไอนางระบำที่ไร่รำแล้วก็เกิดช็อกตายท่านก็เศร้าโศกเสียใจปริเวธนาการคร่าครวญด้วยประการาต่าง อย่างน่าสงสารพระพุทธเจ้าช่วยให้พลิกฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็ออกฟังธรรมระบบรรลุรมรรคผลเป็นพระอรหันต์อันนี้่านเป็นหลังช้างนเนี่ยคือไม่ได้บวชหรอกที่ผ่านไปก่อนเพราะว่าหัวใจท่านก็นแหลกสลายได้เหมือนกันเกือบแหลกสลายแหละแต่ว่าในก่อนก่อนที่จะผ่านเนี่ยงันบรรเทาความโศกไปแล้ว คือโศกัมันไม่มีอีกแล้วปริพฤเทว่าก็ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าหมดกิเลสไปทันตีย ม, มาตเนี่ยก็ระ ง, งับการคํำครวนของคนทั้งหลายได้เหมือนปตาจาราพระประตาจาราก็เหมือนกันเป็นภิกษุณีนะอนใยดีตนั้นท่านเป็นลูกสาวของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ ก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ก็ทนุถนอมกันเต็มที่เอาไว้อยู่ปราสาทชั้นบนชั้นที่เจ็ดเรียกประยุงไม่ให้ต่อะไรไม่ให้ตอบกันทีเดียวแต่ว่าผู้หญิงหนะ้าเด็กสาววัยรุ่นขึ้นมาอยู่ในโลกแคบๆไม่รู้จักเรื่องคนอะไรเป็นอะไรมากก็มักใช้อารมณ์ตัวเองตัดสินปัญหาต่างๆ เก็บได้เสียกับคนใช้ของตัวเองต่อมาก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าพ่อแม่ซึ่งไม่รู้ความประพฤติของลูกสาวเนี่ยก็รับรับมั่นจากชายหนุ่มนาพอรู้ข่าวก็ไปบอกไปบอกคนใช้ที่เป็นสามีเนะี่ย เวเนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วพ่อแม่จะยกฉันให้ผู้ชายอื่นเธอยังพอใจที่อยู่ร่วมกับฉันหรือไม่ถ้าไม่พอใจก็แล้วไปแต่ถ้าพอใจมันต้องคิดหาทางออกแหละแต่คนชายก็คงไม่ฉลาดอะไรเท่าไหร่หรอกเราคิดเห็นแกตัวอยู่โดยไม่นึกว่าข้างหน้านี่จะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะนอนอยังไงจะ ไปไปอยู่ที่ไหนอะไรแต่ไนี่ยมีปัญหารอยเยอะแต่เธอไม่ได้คิดหรอกในที่สุดก็ตัดสินใจหนีหนีไปด้วยกันทั้งคู่ทีนี้มันก็อยู่ในธรรมเนียมของพรามเวลาจะคลอดบุตรเนี่ยก็ต้องกลับมาคลอดที่เรือนของตัวเองบ้านพ่อแม่ของตัวเองเธอข็อ้อนวอนสามีให้นำมาคลอดที่บ้านพ่อแม่ ปรากฏว่าคนใช้น้มันกลัวกลัวพ่อตาแม่ยายเลยก็ผัดวันประกันรพรุ่งไปเรื่อยจนนางมีคันแก่เห็น mm hmm. ว่าสามีคงไม่นำมานำนาไปสู่สกุลครอบครัวหรอกก็เลยก็ตัดสินใจหนีมาเองทีนี้คันมันมันแก่มากแล้วเลยก็เกิดคลอดลูกในระหว่างทาง สามีก็ติดตามมาอย่างเร็วก็มาทันแล้วก็ภารากิจที่จะต้องไปคลอดในครอบครัวมันไม่จําเป็นแล้วพอเสร็จแล้วจะกลับบ้านครั้งที่สองก็เป็นอย่างนั้นครั้งที่สองก็เหมือนกันแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดเหตุรุนแรงที่เป็นเรียกว่าโศกะปริเทวมากเหลือเกินโศกราไรรําพั น, ส น, รรพนเสียสใจขํามครวนราไรรําพันในเสียอกเสียใจในอะการาต่างๆ เพราะว่าฝนมันเกิดตกระหว่างทางรอดลูกออกมใหม่ๆนะฮะฝนก็ตกที่จะบางร่มเงาก็ไม่มีบอกให้สามีไปหาใบไม้มาเพื่อจะกัน้นกันฝนเอาไว้สามีก็เดินไปเดินมาก็ไปเห็นพุ่มไม้แห่งหนึ่งตั้งใจจะตัดตัดพอดีก็งูเห่าชกเอาตาย นางก็ไม่รู้จะทำยังไงนอนคือคือว่ายืนสี่ขานะฮะยืนยืนคล่อมยืนคล่อมลูกเอาไว้ใต้ใต้อกก็ร่างกายคนก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรจะไปปิดอะไรได้ปิดลูกทั้งสองก็ไม่ได้ลูกก็เปียกปอนกันนะอินดูในที่สุดก็อุ้มลูกคนแรกคนคลอดใหม่แล้วก็จูงลูกคนโตเดินติดตามไปหาสามี อา้าวสามีตายไปแล้วน้ำในแม่น้ำอจิรบดีนี่ก็หลากน้ำสูงมากเดินข้ามไม่ได้แต่ว่าตัดสินใจว่าจะนำลูกขึ้นฝั่งเนี่ยทีละคนเ็าลูกคนโตให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเอาลูกคนเล็กเนี่ยไปก่อนไปวางไว้ที่อีกฝั่งเนี่ยพอ กลับมาเพื่อจะรับลูกคนคนโตพอถึงกลางแม่น้ำเท่านั้นเองไอ้เหยี่ยวมันมาโฉบเอาลูกคนเล็กซึงอย่างเล็กๆนะครับนึกว่าเป็นอาหารก็โฉบโฉบไปแกก็กวักมือไล่ตะโกนไล่ไอ้ลูกคนโตนึกว่าแม่เรียกลงมาเลยก็น้ำก็พัดตายก็โศกเศร้าเสียใจจนช็อกอ แล้ในที่สุดก็ไปสแสวงหาบ้านของตัวเองพบบ้านแต่มันพังหมดแล้วสอบถามถึงเศรษฐีปัญญาเศรษฐีพี่ชายของตัวเองคนก็บอกว่าทั้งสามคนนั้นถูกตึกถล่มทับตายหมดแล้ตกลงว่าคืนเดียวเนี่ยแก พ, พลัดพลากจากคนอันเป็นที่รักถึงหกคนเลยกัน ตั้งสติไม่อยู่แล้วสติแตกแล้วก็ผ้าผ่อนก็หลุดลุ้ยเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัววิ่งเตลิดไปก็บนเพลไปนะสามีของฉันถูกงูกัดตายลูกคนเล็กถูกเหยียวเฉียวไปลูกคนใหญ่ถูกน้ําพัดไปพ่อแม่พี่ถูกเกลือนทับตายหมดทั้งสามคนบนไปอย่างงั้นแหละร้องห่มร้องไห้ไปอย่างนั้น พระพุทธเจ้าก็ได้เป็นที่พึ่งของเขาคือแกก็จะวิ่งกระเซากระเซิงนะฮะจนเข้าไปในพระเชตตะวันที่ประทับของพระพุทธเจ้ากับปงเทศอยู่คนก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงเปลือยกายก็ไม่เรียบร้อยก็เลยไลย่พระพุทธเจ้าบอกว่าอยากอยากอยากขับไล่เธอให้ให้ให้เธอเข้ามา แล้วผู้ชายคนหนึ่งก็เอาผ้าคมของตัวเองเนะ่าพันร่างกายให้เจอก็ไปบ่นต่อแหละบ่นบนเหมือ น, น, นเดิมผู้ชายก็ส่งแสดงถึงการร้องไห้เสียอกเสียใจข้าควรไปริเวทนาการอยู่ในสังสารวัตรนี่นะคือถ้าหากว่าน้ำตามันไม่แห้งไปหมดมันจะยิ่งมากกว่าน้ำในมหาสหมดดุทรโดยซ้ำไป เพราะงั้นไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้ก็ส่งอธิบายชี้แจงจนเธอเกิดความเข้าใจแล้วก็บรรลุมระผลเป็นพระโสดาบันต่อมาก็บรรลุมระผลเป็นพระอาราหันต์เป็นพระอาราหันต์เทรีที่มีบทบาทสำคัญมากระดับเอตตะคะทีเดียวทีนี้ ในส่วนขอสันติมามาต์มามาต์เนี่ยก็ได้สดับพระคาถาในพระธรรมบทที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่ากิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในการก่อดกิเลสเป็นเหตุให้เรากังวลให้เราสังเกต ด, ดูว่าหนึ่งก็คือเรื่องที่เรารู้สึกเป็นของเราทรัพย์สินเงินทองของเราญาติพี่น้องของเราพัญญาของเราสามีของเราพ่อแม่ของเราทั้งหมด ของเราของเราอะอะไรที่บอกว่าเป็นของเราแล้วเนี่ยมันจะเป็นทางมาแห่งความสศกเพราะถ้าคนอื่นรบไม่สุงคนอื่นพลาดพลาดสูญเสียหรือว่าประสบภัยอันตรายเราก็ไม่สศกกะไรแต่ทางของเราเข้าไปอยู่แล้วต้องสศกแล้วก็อยากใหญ่อยากใหญ่เป็นอาการเข้ามานะเป็นอาการเข้ามานะอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากเป็นโ น, น้นมันก็หาจุดจบไม่ได้ อยากเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็ใจแคบๆใครมีความเห็นแย้งกับตนไม่ได้ต้องเชื่อตามที่ตนที่ตนพูดก็มีการเกณฑ์บังคับห้ฟังอย่างนี้เราจะเห็นว่าอย่างระบบราชการเนี่ยเวลาเขาเป็นงานเป็นการเนี่ยทหารตำรวจเนี่ยหมายความว่า น, นี่คือคำสั่งเนี่ยต้องต้องต้องเชื่อแล้ว จะทำได้หรือไม่ได้จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ก็ไม่รู้นี่ก็แสดงว่าถ้าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยเราจะไม่ชอบเพราะอะไรเพราะใจเราแคบใจแคบไม่ยอมรับนัำสือความคิดความเห็นของบุคคลอื่นเพราะงั้นรับสั่งว่ากิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในการก่อดคือปัญหามานาทิฏฐิเนี่ยที่มีอยู่ในการก่อนเนี่ยเธอจงละมันเสีย ให้ล่าตันหามานาทิชิบางทีเรียกว่าปปันจะทำคือธรรมะที่เป็นเครื่องให้เล่นเล่นช้าเสียเวลาสูญเสียไปเยอะนะฮสักอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาสักอย่างเนี่ยก็แย่แล้วเธออย่าได้มีความกังวลอะไรในภายหลังหมายความถ้าเราปล่อยวางสิ่งที่เป็นเหตุให้เราเศร้าโศกเนี่ยปล่อยวางไปเรื่อยๆ พอมันเกิดในปัจจุบันเราก็ปล่อยวางแล้วอนาคตมันก็ไม่มีโอกาสเกิดเพราะว่าจิตมันมีสติระลึกรู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านั้นอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรในความว่าราบยอสรรเสริญสุขเส ร, ริมลาบเส ร, ริมยศในถาทุกข์เนมันเกิดขึ้นแก่คนทั้งหมดแหละทั้งพระอริยบุคคลทั้งสามัญชนทัทั่วไป ไอ้จุดต่างก็คือความรู้สึกต่อโลกธรรมเรานั้นในกรณีที่เกิดยินดีหรือเกิดยินได้หมายความว่าถ้าราบยศสรงเสริญสุขเรากเกิดยินดีถ้าเสื่อมนาเสื่อมยศนินทาทุกเรากเกิดยินได้ราะงอันมันก็มีทั้งโสกาวิเทวทุกขโทมนานะตุ ป, ปา ย, ยาตก็ต้องตัดต้องพยายามตัด ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็คือคือคื อ, ค, อคือการมันมีสามการนอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วอนาคตแต่เราแก้ปัญหาได้ในปัจจุบันก็อย่างเนี้ยอย่างพระอนิยบุคคลเนี่ยถามว่าเมื่อท่านบรรลุมรคลเป็นพระอนิยบุคคลแล้วท่านยังโศกอยู่หรือเปล่าโสกกรปเบเทวาหรือเปล่า ก็เปล่าเพราะท่านปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจตัณหามำนาทิเทียววันนั้นเป็นของเราเร า, เราต้องการใจะใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ที่ใจอะ่ะมันอยู่ที่ใจเรื่องใจคิดหรือใจมองความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าโดยความจริงที่แท้จริงแล้วเขาเป็นยังไงแล้วก็รับสารว่าถ้าเธอจกไม่ยึด อะไรในถ้ากลางเธอจักเป็นผู้สงบเชี่ยวไปดังนี้ก็ในที่สุดสันติบาหมา์ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่เป็นคารวะนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสงนะคือถือว่าเป็นเป็นเป็นพิสูจ์สงก็เรียกว่าอุปสมบทด้วยอริยมรรคอริยมรรคริยพล ทีนี้พระปตาจาราเทรีเนี่ยพระพุทธเจ้าประสงค์แสดงแสดงเรียกว่ากระแทกกระท่านใจพอสมควรเพื่อให้ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ว่าจริงๆนะมันคืออะไรบุตรไม่มีเพื่อการต้านทานแม้บิดาและพวกพ้องก็ไม่มีเพื่อการต้านทาน คนเราเวลาจะตายเนี่ยมันใครป้องกันเราไม่ได้เลยหมอเก่งยังไงก็ป้องกันเราไม่ได้เราถึงกล่าวตายนเพราะฉะนั้นคนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมันก็มีสามอย่างแต่นั่นเองสองอย่างคือหายหรือตายเท่านั้นแต่ว่าประเภทของคนป่วยที่จริงมีสามนะประเภทแรกก็คือจะรักษาหรือไม่รักษาก็หาย ประเภทที่สองนั้นต้องรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายประเภทที่สามนั้นจะรักษาหรือไม่รักษาก็ตายตายเหมือนกันเพราะว่ามันมีเงื่อนไขต่างๆอีกเป็นเดินมากที่เกี่ยวกับชีวิตนางปตย า, าเทรีได้สดับพระพุทธธรรมรัสว่า บุตรไม่มีเพื่อการต้านทานบุตรทิดาทั้งหลายนะฮะวงสาคณา ญ, ญาติทั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายใครทั้งหลายก็ตามนะใครป้องกันไม่ได้คือต้านทานกระแสของมัจจุราชเนี่ยไม่ได้เมื่อมูสัตถ์ถูกมัจจุครอบงำหมายความว่าคนที่ถูกความตายเข้าครอบงำแล้วเนี่ยย่อมไม่มีการต้านทานในหมู่ญาติทั้งหลาย มายความแม้แต่ญาติจะมีห้อมล้อ ม, มาราคาอะไรก็าตามใครสู้พยามัจจุราชไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับผกจริงทีนี้คนทั้งหกคนในครอบครัวของนางปาตาพระปราตาจาราเนี่ยล้วก็ถึงคราวนะหมดที่อื่นตั้งเยอะหนึ่งไม่ไปแล้วไปอยู่ยืนที่ทิงรู ง, งูมาดูอ๋อคนเล็กก็ พะแม่วางไว้อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะวางยังไงนะโคตรโตก็คงจะไม่รู้เดียงสาอะไรเท่าไหร่ละเพราะว่าก็อย่างอย่างมากก็สักสองปีหนึ่งสองขวบหนึ่งก็เข้าใจผิดส่งสัญญาณผิดก็ตายไปดังนั้นแนวตรงนี้พอพระพุทธเจ้าทรงแสดง เธอก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิปล น, นี่ต้องการเชื่อเห็นว่ามันเป็นอะไรล่ะเป็นธรรมะปฏิบัติที่ในตอนตอนนั้นมันเป็นเป็นทุกนะฮะเป็นทุกเป็นโทมนัสเป็นพวกโทมานัสดังนั้นท่านจึงอธิบายว่า เพราะขึ้นชื่อว่าภาวนาแล้วจะไม่เกี่ยวกับธรรมะข้อไหนภายในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยไม่มีอมันไปนเกี่ยวกับกายคือมันหมดอะ่ะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแสดงไว้หมดแล้วเรียบร้อยตอนทำเนี่ยมันมีทั้งกุศลทั้งองกุศลแล้วก็ทั้งมรรคนนานิพ่านอยู่ครบในตอนในช่วงสุดท้ายเครียดสัจจะปภะเนี่ยมันมันอยู่ครบ ผลกันกปฏิบัติธรรมะของท่านทั้งสองเนี่ยทั้งของสันติหม า, ามาดแล้วก็พระปตาจารามันก็คือกันก็คืออยู่ในเรื่องกายเวทนาจิตต่ำทีนี้คําต่อไปที่ว่าเพื่อดับทุกขโทมนัตทั้งหลายทุกในที่นี้หมายถึงทุ ก, กายนะครหมายถึงทุกกายโทมนัตหมายถึงทุกใจในกรณีที่เขามาอยู่คู่กันอย่างนี้ ถ้าอยู่คู่กันอย่างนี้บางทีท่านพูดทุกเฉยๆแต่ทุกเฉยๆก็หมายความว่าทุกกายทุกใจทุกตังกายทั้งใจแต่ตอนนี้มันมีโทปนัตโทปนัตท่านก็แยกว่าทุกนั้นก็คือทุกกายประสบโรคภัยค่าเจ็บเบียดเบียนด้วยประการต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นทุกข์รังกายแล้วก็ทุกใจก็คือไม่สบายใจกรุ่มใจความโศกความร่ําไรความรําพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจ ยกเว้นแต่ทุกนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องใจส่วนใหญ่เพาใจเป็นตัวสวยอารมณ์รับอารมณ์แล้วก็สวยอารมณ์เพื่อดับทุกข์ทั้งสองอย่างคือทุกข์ทางกายแล้วก็โทมนัสทางใจโดวยว่ามรรคนี้ที่คนอบรมแล้วจะเป็นไปเพื่อดับทุกข์ของคนทั้งหลายเหมือนของพระติสสะเป็นต้น และเมื่อดับโทมนาสของคนทั้งหลายก็เหมือนกับเท้าสกกะเป็นต้นในเรื่องนั้นมีนการแสดงเนื้อความเอาไว้นะในนครสาวัตถีเนี่ยบุตรชาวกุรุมพีชิวติศะสลาทิ้งเงิน4ี่สบโกรธออกบวชแล้วอยู่ในป่าที่ไม่มีบ้านปัญญาน้องชายสุดท้องของเขาส่งโจรห้าร้อยไปโดยสั่งว่าไปเถอะพวกเจ้าจงปรงชีวิตพระรูปนั้น พวกเขาพากันไปนั่งล้อมพระิราไว้โดยเรื่องการแย่งชิงการแย่งชิงมรดกคือคนกเขาสละไปแล้วอ่ะเขาไม่เอาแล้วแต่มันก็คิดเอาก็เป็นคนนอกดยซ้ำไปเป็นพันยาของของไม่ใญ่เป็นน้องชายของพันยาก็ถูกว่าจ้างนะครับ อันนี้คือสืที่แย่งมรดกอเอกาสารนวนิยายของไทยเนี่ยชอบมากในเรื่องแย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายแย่งมรดกแย่งตําแหน่งแย่งอานาจกันเนี่ยเยอะเหลือเกินพระเทรัก็ถามมามากกันทําไมอุบาสบอกว่าผมจะปรองชีวิตท่านโจรบอกพระเทรักก็กล่าวว่าอุบาสก ท่านทั้งหลายจงยึดตัวอาตมาไว้เป็นประกันแล้วให้ชีวิตอาตมาไว้คืนวันนี้คืนเดียวเถิดคือหมายความว่าอย่าฆ่าก่อนเพราะว่าท่านต้องการจะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลเอาคืนเดียวขอเวลาคืนเดียวแต่นั้นเองทีนี้พวกโจรมันก็คิดแบบโจรเลยนะว่าใครจะเป็นคนรับประกัน พระเทราก็ไม่ว่าอะไรก็หยิบก้อนหินก้อนนึงมาถึงก็โทกโครมหนุบ น, น่าแข้งเลยขาแข้งหักนะขาหักแล้วก็พิจารณาศีลของตนคมเวทนาอ น, นี่เวทนานุปัสสนาตติปัฏฐานละแล้วก็พิจารณาศีลของตนอันนี้ก็เป็นอนุสติเพราะอาศัยศีลบริสุทธิ์ปีติปราโมชจึงเกิดขึ้น ลำดับต่อจากนั้นท่านก็จะเริญนวิปัสสนาบำเพ็ญสมณธรรมตลอดราตรีทั้งสามยามเวลารุ่งได้บรรลุอรหัตแล้วจึงเปล่งอุทานนี้ว่าเราทุบเท้าทั้งสองข้างสัญญากับท่านทั้งหลายไว้เราเอื้อมระอาความตายทั้งๆ ท, ท, ที่อย่างมีราคานะหมายความว่าคนที่มีกิเลสอยู่เนี่ยมันถึงเอื้อมระอาอยัางไงมันก็หนีไมพ่พ้นมันต้อง ทาลายสาเหตุของของความทุกข์ก็คือกิเลสทั้งหลายนะพูดง่ายว่ากิเลสทั้งหลายแต่ในที่นี้พระเถ ร, ระก็ไปยกเอากิเลสคือการมาราคาขึ้นมาแล้วจึงบอกว่าครั้งคิดอย่างนี้แล้วเราก็เห็นแจ้งตามความจริงเมื่อถึงเวลาอารุณขึ้นจึงได้บรรลุอรหรัตเป็นพระหรัน ทีนี้เรามามาถึงภิกษุอีกชุดหนึ่งมีสามสิบรูปเรียนกรรมฐานในสำนักของพระผู้มีวภาคแล้วก็จำบรรษาที่อรันยมิหารคือวัดที่อยู่ในปาน่าตกลงกันไว้ว่าคุณเราทั้งหลายต้องบำเพ็ญสมณธรรมกันตลอดราตรีทั้งสามยามและไม่ควรไปมาหาสุกันจากนั้นก็จึง พากันมาอยู่เมื่อท่านเหล่านั้นบำเพ็ญสมณธรรมแล้วเวลาเช้าออกไปจากวัดเสือโคร่งตัวหนึ่งมาข้าบเอาพระไปข่าวละหนึ่งรูปไม่มีใครสงสัยเลยเสือโ ค, คร่งตะพรุบผมคือไม่มีใครส่งเสียงบอกนะเมื่อภิกษุถูกเสือข้าบไปกินถึงสิบผ้ารูปอย่างเนี้ในวันบวชสดจึงถามกันว่า ถ้านอกนี้ไปไหนกันคุณพอรู้เรื่องก็พูดว่าตกลงกันใหม่ว่าต่อไปนี้ใครถูกเสือโ ค, ค, ค, คร่งแต่ครุบควรบอกกันว่าเสือโคร่งแต่ครุบผมดังนี้ครับแล้วก็อยู่กันกันต่อไปภายหลังเสือโคร่งได้มาแต่ครุบ ป, ปิฆูนุ่มรูปหนึ่งแบบครั้งก่อนนั่นแหละเธอได้บอกว่าท่านครับเสือโคร่งปิฆูนทั้งหลายพากัน ถือไม้เท้าและคคบเพลิงติดตามไปด้วยหมายใจว่าจะให้มันปล่อยเสือคร่งได้ขึ้นไปที่ช่องเขาขาดที่พระขึ้นไม่ได้เริ่มจะกินภิกษุหนุ่มนั้นตั้งแต่เท้าขึ้นไปภิกษุนอกจากนี้ได้พากันกล่าวว่าท่านผู้เป็นสัตว์บรุษบัดนี้พวกผมช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วธรรมดาคุณพิเศษ ของภิกษุทั้งหลายจะปรากฏให้เห็นในสถานการณ์เช่นนี้แหละท่านนอนอยู่ในปากของเสือโคร่งนั่นแหละคมเวทนาไว้จเจริญวิปัสสนาไปเอาเวลาเสือโคร่งกินไปจนถึงข้อเท้าเป็นพระโสะดาบันกินถึงเขา่าเป็นพระตกากาสขามีเบถึงท้องเป็นพระนาคามี ขณากินยังไม่ถึงหัวใจนั่นเองนั่นแหละพระเทรัก็บรรลุมรกรลเป็นพระหันเราจะเห็นว่ามันการมาเป็นเพียนของพระสมัยโบราณเนี่ยจริงเอาจังมากนะคือยอมตายไม่ยอมเสียดายชีวิตแต่ว่าต้องการให้ได้บรรลุธรรมะเท่านั้นเองจากนั้นท่านก็ เ r i n เป็นอุทานขึ้นว่าเรามีศีลในทางความเราสังเกตว่าคำว่ามีธรรมะอะไรก็ตามมีศีลมีสติมีฮิริมีโอจปะมีเมตตามีกรุณามีเวขาก็ใช้คำว่ามีหมดแสดงว่าไม่ใช่เรื่องปริยัตไม่ใช่เรื่องการเรียนรู้อย่างเดียวแต่หมายถึงการมีธรรมะเหล่านั้นอยู่ภายในใจ เจนว่าท่านผู้นี้ไม่โกรธก็แสดงว่าท่านก็มีเมตตาต่อคนทั้งหลายแล้วสมบูรณ์ด้วยวัดคือวัดปฏิบัติทั้งหลายซึ่งกวาจริงก็มีอยู่เยอะนะครก็ต้องพยายามปฏิบัติวัดวัดวัดต่อปฏิบัติเหล่านั้นแล้วก็มีปัญญาตรลงมาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็ครบแล้วอริมักมีองค์แปดประการ เผอตัวไปชั่วครู่ไม่ได้ระวังเสือโครงเสือโครงตัดคุบเราไว้ในกรงเล็บนําเข้ามาที่ภูเขาจะกินเราแน่กายของเราที่ไม่มีจิตใจจะเป็นอาหารมันเมื่อเรากลับได้กรรมาฐานมโนสติจะเรินทันจะเริมมนมรณานุสตินะแต่ว่าเราจจเห็นว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนตะโกนบอกให้ ดูที่เวทนาพอนึกดูว่าเสือกับเตือเต๋าอืนแล้วก็ขมือบเข้าไปเรื่อยๆ เ, ยเยนี่ยก็น่ากลัวแหละแต่ท่านก็ตั้งหลักได้จนขนาดยังไม่กินยังไม่ถึงหัวใจเกิดชีวิตยังอยู่ในรักษาลังกายไปได้ทีนี้มีปเทระอีกรูปหนึ่งชื่อทีปะมาลเทระ เวลาเป็นเป็นขนาดถือผ้าที่กองขยะสามกองมาอย่างตำพันปันตตพระปันนาทวีปหรือที่เกาะลังกาเนี่ยเข้าฝ้าพระราชาแล้วได้รับประราชาอนุเคราะห์วันหนึ่งได้เดินไปทางประตูศาลากิรัญชกาสะสะนะได้ฟังนาตุมหากวัตว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเรา เธอทั้งหลายจงละทิ้งรูปนั้นไปรูปนั้นที่เธอทั้งหลายละได้แล้วจักมีประโยชน์เกื้อกูลและความสุขตลอดกาลละนานนี่แสดงแบบวิปัสสนากรรมฐานแนะ่แสดงใจลักมันมีบางบทเนี่ยคือจำได้ตั้งแต่เป็นเด็กได้ยินหลวงปู่ถวด ฟังเอ้ยเพราะจริงจั ง, จงแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรหรอกเราก็เป็นเด็กๆท่านสวดเสียงเสียงของท่านมันไปด้วยรูปปังนิจงังรูปเป็นของไม่เที่ยงยาดานิจังตังดูกขงังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกอย่างทุกขังตังหนาตารูปใดเป็นทุกรูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยาดานาตาตังเนตังมามาเนโซะมัสมินาะเมโซเ ม, ซมอตตา รูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วเบทนาสัญญาตังหาวิญญาณก็ว่าอย่างนี้เหมือนกันอันนี้แสดงว่าพระพุทธจเจ้าก็ทรงเห็นอุปนิสัยของท่านแหมพระอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่เทศคงจะเห็นอุปนิสัยของท่านหรือว่าแสดงพอดีกันก็ไม่ทราบท่านก็เริ่มคิดละ อ้รูปนี่มันไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของตนท่านทรรมนาตุมหากวัดนั้นให้เป็นเหมือนขอช้างออกไปยังมหาวิหารขอบันประชาก็เป็นชาวบ้านได้ภาพก็เก่ามาสองสามผืนนั่นเองเนีจากกองขยะ ด, ด้วยแล้วก็ อุปสมบทเล่าท่องมาติกาทั้งสองได้คล่องแคล่วแล้วพาภิกษุสามสิบรูปไปยังเนินชื่อคาวาสิยะในประเทศลังกานะฮะเจริญสมณธรรมพร้อมโดยเพื่อนสามสิบรูปเมื่อเท้าบวมก็เดินโยงกลมด้วยขา่าว ในคืนนั้นพรานเนื้อคนหนึ่งเข้าใจว่าท่านเป็นเนื้อจึงแทงท่านหอกทะลุเข้าไปท่านได้เอาให้เขาเอาหอกออกแล้วเอามวลหญ้าเนี่ยอุดปากแผลไว้ไม่ให้เต็มพยุงตนนั่งเหนือลานหินถื อ, อกาดเจเรญมิปัสนาบรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาพยากรแก่ภิกษุผู้มาเพราะเสียงอายของท่านแล้วก็ได้เปล่งอุทาน อ้ น, นี่เราสังเกตไปนคนจนนะคนจนคือเก็บเศษผ้าเอาในถังขยะได้สามผืนเท่านั้นเองพลิกกลับกลายเป็นพระอาหารหันต์เพราะในพระศาสนานี้จึงมีโอกาสกว้างคือคุณจะเป็นใครเนี่ยไม่สําคัญหรอกสําคัญคุณมองโลกมองชีวิตยังไงถ้าคุณเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตก็รู้อะไรจะเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระ อย่างทรัพย์สินเงินทองมากมายก่กองเนี่ยแน่นอนได้เราบำเพ็ญกุศลนี่เท่าไรก็เท่ากันแล้วนะแต่จะให้ใช้จ่ายเป็นการส่วนตัวสมมติมากมเนี่ยก็ไม่รู้จะาไปทําอะไรจะจ่ายอะไรแต่มีข้อแม้ว่าเอาท่านจะบำเพ็ญบุญกุศลอะไรก็เอาไปอันนี้เราก็ช่วยอะไรได้เยอะช่วยอะไรช่วยเหลือสังคมได้เยอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ของเราอะ่ะเราเพื่อตอบสนอง กุศลเจตนาของคนอื่นเขาตอนนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้มีปกติสัจธรรมอันเลิศแก่สัรพสัตว์จัดไว้ว่าพิสูนทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ของเราเธอทั้งหลายจงละทิ้งมันไปสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดากันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขไอ้ น, นี้ก็คือบทนั่นแนหะบทบทอนิจจาเนะี่ยในพระบังสกุลนะ น, น่ะอนิจจาวัตสังคาราปราวยะธมิโนปิจิตวาเนรุชันติเตสังมูปสมโมสุขโขคือประเด็นที่ควรสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งคือพระสมัยโบราณเนี่ยสมัยที่หลังกาที่พมา่าที่อะไรก็เหมือนกันนะ่ะ ของเราก็เหมือนกันแต่ว่าเราพยายามที่จะเรียบเรียงให้ง่ายขึ้นต่อการทําความเข้าใจแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าคนฟังเขามีพื้นฐานดีๆก็ว่ากันเต็มที่ได้กันสบายๆก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าทุกคํำในท่านอ้างพระพุทธเจ้ามีญาติโยมมาเคยตั้งข้อสังเกต สมัยนั้นยังเป็นป ร, รียนอยู่ญาโยบอกอเอท่านมหาฯทำไมต้องอ้างพระพุทธเจ้าตุกตีอบอกเอา้าเราอ้างใครล่ะธรรมะที่เอามาเทศน์ของพระพุทธเจ้าเรามีเครดิตอะไรที่จะไปให้คนก็เชื่อถือเราเราก็ต้องออกพนามของพระพุทธเจ้าเป็นการทำงานแบบทูตอ่านราชสาร แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็เป็นอุป์พระศพจนตาย น, นะฮะอุป์พระศอยู่อยู่ที่วัดเนี่ยจนจนตายไปเลยนี่ทีนี้ภิกษุทั้งหลายได้พูดกับท่านว่าท่านผู้จเจริญถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงประชวรแล้วสายพระองค์จะต้องทรงเหยียดพระหัตถ์ข้ามสมุทรมารูปศีรษะท่านเป็นแน่ด้วยเพียงเท่านี้ ทางสายนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเหมือนของพระติสสะเทระเป็นต้นทีนี้โทมานัตของท้าสกะเทวราท้าสกะจอมเทพครั้นเห็นบุปภณิมิตห้าอย่างของพระองค์ทรงถูกมณาภัยคุกขามก็เสียพระไทยยิ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงถามปัญหาในวาสารแห่งการวิสัชนาปัญหา ท้าเธอก็ได้บรรลุโสดาปติมอดพร้อมด้วยเทวดาแปดหมื่นตนท้าเธอจุติแล้วได้เสด็จอุบัติขึ้นใหม่เป็นปกติดังเดิมนี้ท้าวส ก, กะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อินัสานคูหาในกรุงราชครื้นะครับทรงแสดงสักกะปัญหาสูตรเรื่องแสดงลึกซึ้งมากแล้วก็มีเพลงขับนะฮะของปัญจาสิกาเทพบุตรอยู่ด้วย เป็นการพูดถึงเรื่องคนรักความรักแล้วก็กับธรรมะอธิบายได้เก่งในเรื่องยาวเหมนนนะเรื่องเรื่องยาวเหมือนกันนี้ก็เป็นเป็นข้อตัวอย่างในแต่ละประเด็นหมายความว่าโสกะเปเดวานังดุกโดมนาาาัสซายะดุกโดมนัสซานังอัทังกามายะยายัตสัทิกมายะประเด็นต่อไปก็จะเป็นยายัตสอทิกมายะ เพื่อบรรลุพระนิพพานหมายความว่าพระสูตรนั้นจะรับประกันทุกชั้นทุกขั้นตอนของการปฏิบัติคือทมอเทศนานั้นพระพุทธเจ้าส่งประกันประกันผลนะแต่เราต้องประกันเหตุหมายความพระเจ้าสอนยังไงเราก็ต้องพยายามปฏิบัติอย่างนั้นแต่ว่าไม่ทำตามก็เป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้ัง้งฝังทั้งลาย เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมยมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี